แต่งรูปจนดีเกินจริงด้วยแอปนางงามจักรวาลหรือโปรแกรมรีทัช ร, ระดับเทพนานไปจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติทางใจรูปลักษ์ดีๆเป็นตัวกำหนดความรู้สึกเมื่อแรกพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดึงดูดให้คนมาสนใจรักใครคนเราถ้าแต่งตัวไม่ดีเสื้อผ้านาผมไม่ได้ก็ไม่รู้สึกมั่นใจพอว่า จะทำให้คนอื่นมองตัวเองว่ามีดีแต่คนเราถ้าแต่งรูปจนดีเกินจริงกลายเป็นใครอีกคนที่ไม่ใช่ตัวเองเพียงหวังจะได้เรียกเสียงวิทว์ว้าทั้งเน็ตสร้างความปลื้มหลอ ก, ลอกนอกจากจะไม่เพิ่มความเชื่อมั่นยังกลายเป็นทำลายความมั่นใจในโลกความจริงได้ดือด้อหากหล่อสวยเวอร์เวอเพียงเพื่อเรียกเสียงหาครั้งสองครั้ง แบบรู้ๆกันว่าเวอร์คำาให้เพื่อนทางโซเชียลเซิรเล่นอันนั้นไม่เป็นไรไม่ใช่เหตุให้ผิดปกติแต่หากพยายามจริงๆที่จะหันมุมสวยสุดหล่อสุดเข้ากล้องแล้วกระนำซ้ำด้วยแอปนางงามจักรวาลหรือโปรแกรมรีทัช ร, ระดับเทพทำซ้ำๆทุกวันด้วยความติดใจและด้วยความเห็นคนแปลกหน้ามาติดใจอันนั้นนานไปคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติ อยากอยู่แต่ในเน็ตอยากแต่งแต่รูปและไม่อยากมองหน้าตัวเองในกระจกไม่อยากให้ใครเห็นตัวจริงเข้าที่ทํางานหรือห้องเรียนก็รู้สึกจ้องจองกระจกกระจอกพอไม่มีใครมองไม่มีใครสนหน้าตาเรารู้สึกแย่รู้สึกรุนแรงว่าจริงๆฉันต้องดูดีกว่านี้เยอะแล้วหันไปฝากความหวังไว้กับตัวตนที่สร้างขึ้นด้วยแอปท่าเดียว ถ้าไม่อยากผิดปกติทางใจต้องตัดสินใจกันที่จุดหนึ่งว่าจะเอาเวลาไปสร้างค่าให้ตัวจริงหรือมัวเสียเวลาสร้างใบหน้าที่ไม่มีอยู่จริงดูดีอย่าดูเวอร์ดูดีเกินจริงในเน็ตระวังเสียความมั่นใจในโลกความจริง